สถานีวิทยุกรอบกราข่าวสอตรอเอฟเอข้าพเจ้าพระมหาไผ่บูอ์อภิปุโนโจากแวปปาดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำแล้วก็นำคำสอนที่เป็นอันเป็นมงคลเป็นคำสอนที่จะนำความสุขความพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงทำชื่อของเราให้ดีขึ้นสูงขึ้นให้ตั้งอยู่ในธรรมได้ นั่นคือธรรมะอันเป็นคำสอนของพระบรุรธเจ้านั่นเองที่พระองค์นั้นได้สอนเอาไว้บอกอไว้ข้อมูลต่างๆที่เขาบอกกันมาสอนกันมามีการลงบันทึกจดเอาไว้แล้วก็อยู่ในพระไตรปิฎกมีการแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายโดยในแต่ละวันนั้นก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างกันไปนะวันที่เป็นวันอังคารกับวันพุธอย่างนี้ก็จะนำเรื่องที่มาในพระไตรปิฎกนั่นแหละเป็นเรื่องที่สั้นๆย่อยได้ เพื่อท่านผู้ฟังนั้นจะได้มีความเข้าใจได้ง่ายมาวิเคราะห์มาพูดจามาอธิบายกันนั่นคืออธิบายส่วนที่เป็นพุทธพจน์ตรงนั้นโดยในช่วงที่ให้ฟังพุทธพจน์ตรงนั้นก็จะมีการแนะนํำสัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยแต่เป็นไปในระบบสองภาษาจะสลับกันไปแต่ว่าการอธิบายนั้นก็จะพูดเป็นภาษาไต้อย่างเดียวแต่ที่ให้ท่านผู้ฟังได้ลองฟังภาษาอังกฤษดูนันคือในช่วงนี้ก็เป็นช่วงทดลองในการที่จะดําเนินการไปในลักษณะนี้นดูว่า ท่านผู้ฟังจะมีฟีดแบ็มีข้อคิดเห็นในลักษณะนี้อย่างไรแั่คือสําหรับท่านผู้ฟังที่เข้าใจภาษาอังกฤษพอสมควรมีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่บ้างเนี่ยก็อาจจะเข้าใจศัพท์ต่างๆเหล่านี้ได้แต่คือศัพท์บางศัพท์เราอาจจะไม่เข้าใจเราจะฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าท่านผู้ฟังที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็ตามมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองส่งกันมาได้ในวันนี้ก็นําเรื่องของท่านประโสนะแต่ท่านประโสนะเนี่ยเป็นเอตัตถะ นั่นคือพูดที่มีความเลิศในด้านการทําความเปลี่ยนท่านทาความเพียนในการที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ด้วยเรียบรถเดินนั่นคือท่านพระสนะนะเป็นพระภิกษุในสมัยพุทธกาลได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าในเรื่องของการทําความเปลี่ยนตัวอย่างที่ท่านได้ทําก็คือการทําความเพลี่ยนด้วยรูปแบบของการเดินเดินจนกระทั่งเท้าแตกในโม่ฝังเดินจนเท้าเป็นแผลนะแตกเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่หยุดเดินละ เดินทั้งที่มันแตกนี่แหละในสมัยนั้นพระรพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้อนุ ญ, ญาตให้มีรองเท้าด้วยะจะหาอะไรมารองที่เท้าแล้วก็ไม่มีกฎนี่เดี๋ยวมันจะผิดกฎแล้วก็ไม่ได้ทําล่ะก็เดินมันทั้งที่แตกเดินมาทั้งที่มีเลือดออกจนกระทั่งทางเดินจงกรมของท่านนเนี่ยเปื้อนไปด้วยเลือดมีสีแดงเหมือนที่ข่าโคแต่ว่าก็ยังไม่บรรลุธรรมล่ะยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์และ ม, มีความคิดที่จะลาสิกขา แลพระเจาได้ตรายการท่านพระโสนในที่นี้ในมีในแง่มุมที่น่าสนใจว่าเราจะทําความเปลี่ยนในลักษณะไหนรูปแบบไหนถึงจะพอเหมาะพอสมเรื่องราวในที่นี้มีเป็นไปอย่างนี้ว่ามีในสมัยหนึ่งที่ท่านพระโสนผู้ทําความเปลี่ยนด้วยการเดินจงกรมมากเสียจนเท้าแตกทําให้ทางเดินจงกรมของท่านเปื้อนไปด้วยเลือดมีสีแดงเหมือนที่ข่าโก แต่ก็ยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นตือมัน่นจึงมีความคิดที่จะลาสิกา On one occasion, venerable Sona was alone in seclusion, being resolute by walking meditation, so much so that his feet f e s t e r and bleeding, until his walking track was stained with blood. like a slaughterhouse, yet has not been liberated from the t e n t s by non-clinging. Then is my incline to give up the training and return to the lower life. พระพูบบ้มีพระภาได้ตรัสกับท่านพระโสนะที่มีความคิดจลาศิกาอย่างนี้ว่าโสนะเมื่อเธอเข้าไปสู่ที่ลับลึกเรน อยู่แต่ผู้เดียวความคิดได้เกิดขึ้นแก่เธอว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่าใดที่ปรารบความเปลี่ยนอยู่เราก็เป็นผู้หนึ่งในบรรดาสาวกเหล่านั้นถึงอย่างนั้นจิตของเราก็ยังหาพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นตือมั่นได้ไม่อันที่จริงในสกุลของเราก็ยังมีโปรคซั์อยู่เป็นอันมาก เราอาจจะใช้สอยโภคทรัพย์นั้นและบำเพ็ญบุญได้อยู่ถ้าไรเราควรจะศึกไปใช้สอยโภคทรัพย์และบำเพ็ญบุญเอาจะดีกว่าดังนี้ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระโช้ขขาโสนะ when you were alone in seclusion didn't the following cause of thought Arise in your mind, thus, I am one of the blessed one's most energetic disciples. Yet my mind has not been liberated from the t e n t s by non-clinging. Now, there is wealth in my family, and it is possible for me to enjoy my wealth and do meritorious deeds. Let me then give up the training. And return to the lower life, so that I can enjoy my wealth, and do meritorious deeds. Is this correct? Yes, venerable sir. So na, เธอจะมีความคิดในเรื่องนี้ว่าอย่างไรครั้งก่อนแต่เธอยังเป็นครืัดเธอเชี่ยวชาญในเรื่องเสียงแห่งสายพินมีใช่หรือเพราะนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข In the past, when you l i v e ่ at home, w e r e you skilled at the l ดนต Yes ร so ือไม่ใ a ่ค่ะคุณพ่อน้เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเมื่อใดสายปินของเธอขึงตึงเกินไปเมื่อนั้นปินของเธอจะมีเสียงไผเราะน่าฟังหรือจะใช้การได้ดีหรือ ข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้า้า What do you think Sona? When its strings were too tight Was your lute well tuned and easy to play No, m a d e r o s e l l เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเมื่อใดสายปิ่นของเธอขึงหย่อนเกินไป เมื่อ น, นั้นพินของเธอจะมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือจะใช้การได้ดีหรือ When its strings were too loose Was your lute well tuned and easy to play No, v e n e a b e s r สวนนะแต่ถ้าเมื่อใดสายปินของเธอไม่ตึงนักไม่หย่อนนักครึงได้ระเบียบเสมอๆกันแต่พอดี เมื่อนั้นผินของเธอย่อมมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือย่อมใช้การได้ดีม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าา but so na when its strings were neither too tight nor too loose but adjusted to a balanced pitch was your lute well tuned and easy to play yes venerable sir โสนะข้อนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละกล่าวคือความเพียรที่บุคคลปรารบจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุง้งซ่านที่ย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกลียดกลั้นโสนะเพระเหตุ น, นั้นแลเธอจงตั้งความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องมีธรรมชาติเสมอเสมอกันจงกําหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิด ข้าแต่ปร่องพุชเริ่ข้าปร่องจะปฏิบัติตามอย่างนั้นปะชว์ข้า so t o Sona if energy is aroused too forcefully this leads to restlessness and if energy is too lax this leads to lessiness therefore, Sona resolve on a balance of energy achieve evenness ข f t ทา s p i r i t u a l faculties and take up the object t h e r e Yes นบุรุษครับและในการต่อมาท่านพระสนะได้เริ่มตั้งความเพียรแต่พอเสมอๆกันไม่ยิ่งไม่หย่อนได้ทราบความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติเสมอๆกันแล้วกำหนดหมายในข้อ น, นั้นไว้ก็ปลีกตัวออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียว ไม่ประมาททำความเพียรเผากิเลสมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ยนั้นไม่นานักก็ได้ทำให้รู้แจ้งถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติอันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าท่านพระสนะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้วในโลก When the blessed one has finished giving the venerable sona this exhortation Then some time later, the venerable Sona resolved on the balance of energy, achieved t h evenness e of the spiritual faculties, and took up the object there. Then, dwelling alone, withdrawn, h e e t f u l ardent, and resolute, in no long time, the venerable Sona realized for himself. With the r e c o k n l e d g e in this very life, that u n s u r p a s s e d consummation, of the spiritual life, for the sake of which clansmen, rightly go forth, from the household life, into homelessness. And having entered upon it, he dwelled in it. He directly knew, destroyed is both. The spiritual life has been lived. what had to be done has been done there is no more coming back to any state of being and the venerable Sona become one of the a r a h a n s นั้นคือเรื่องราวการบรรลุ ธ, ธรรมของท่านพระโสนะแต่คือตอนนั้นท่านอยู่ที่ป่าสีตะวันบาปปะชาก็อยู่ที่ภกเขาคิจกูดแต่อยู่คนละที่กันรายละเอียดในเรื่องนี้ก็คือบา ะ, ะชาวเนี่ยทราบละ ก็คืออ่านจิตของท่านพระโสณาคิดว่าจลาศิขาละทีนี้เราก็เลยไปปรากฏตัวด้วยฤทธ์ตัวพระองค์เองอยู่ที่เขาคิชกูตอนนั้นท่านพระโสณาอยู่ที่ป่าศรีตะวันนะไปด้วยฤทธ์ไปปรากฏตัวให้ท่านพระโสณาเห็นเราก็ได้อธิบายตึงธรรมะต่างๆตรงนี้เราไปทําความเข้าใจพระสูตรนี้กันนิดหนึ่งแตนะ่ว่าท่านพระโสดาเนี่ย เ, เป็นคารวาสมาก่อนแต่เป็นผู้ที่เป็นลูกค้าราชการเป็นลูกคนมีเงินว่า ง, งั้นเถิด ที่รครับกลัวของท่านประสดนนเนี่ยก็ยังมีทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆอยู่เยอะแยนะออกบวชมาแต่นะเป็นเขาเรียกเป็นสุขมุม ล, ละชาตินะเกิดมาเนี่ยก็มีช้อนเงินช้อนทองคาบมาเลยแต่นะถ้าเราจะเปรียบเทียบเป็นภาษาไทยอย่างนี้ก็ได้แต่นะเป็นคนร่ํารวยมีเงินทองมากไม่ต้องทํางานอะไรก็มีกินเป็นคนที่จะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาออกบวชนั้นะปรากฏว่าการทําความเพียรของท่าน เราบูชากระเปร้องเทียบให้ฟังแต่เข้าใจคําว่าความเพียรนิดหนึ่งแต่เข้าใจคําว่าความเพียรนิดหนึ่งความเพียรในที่นี้หมายถึงการที่เราทําจริงแน่วแน่จริงการที่เราทําจริงแน่วแน่จริงในสิ่งใดๆเนี่ยเป็นสิ่งดีแน่นอนเพราะฉะนั้นการทําความเพียรเป็นสิ่งดีต้องมีต้องมีทีนี้ถ้าบอกว่าทําจริงแน่วแน่จริงมากเกินไปมันอยากมากนี่เอาความอยากเป็นอกุศลนะเราทําจริงแน่วแน่จริงปฏิบัติตามมก็เพื่อละความอยาก ทีนี้ถ้ามันหนักหน้าเกินไปความอยากมันเกินแต่ความอยากมันเกินมันก็เลยมาครอบงําจิตทําให้จิตนั้นมันเป็นกลายออกมาเป็นรูปแบบของความฟุ้งซ่านได้พระพุทธเจ้าจึงบอกกัตตันพระสนะโดยการยกอุ ป, ปมาอุปไมยเปรียบเทียบกับเสียงของสายพินพินในที่นี้เขาเรียกว่า L UT, L U t e, ลูต t e นีหมายถึงพินแต่ว่าถ้าพินนั้นถึงตึงเกินไปสายมันเนี่ยตึงเกินไปแต่เสียงมันก็ไม่ดี ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับกีตาร์ก็ได้กีตาร์ในปัจจุบันก่อนที่นักดนตรีเขาจะขึ้นเวทีเนี่ยแม้จะเห็นทุกวงแหละต้องมาจูนสายกีตาร์กันก่อนตึงหนังนึงหังนึ่งนังตึงบ้างหย่อนบ้างปรับให้มันดีให้มันได้ให้มันได้ตามโทนเสียงเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรามีความเปลี่ยนมากเกินไปท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมากเกินไปมันก็น่าจะดีนะมากมมันน่าจะดีดีอยู่คือจะว่ามากเกินไปก็ไม่ถูกเพราะว่ายิ่งมากเนี่ยมันก็ดีอย่างพระองค์เองเป็นผู้ที่ ไม่ถอยกลับในการทําความเพียรแล้วก็เป็นอย่างนั้นก็มีนะแต่ว่าคําว่าเพียรมากเกินไปไม่ใช่ว่ามีมากแล้วไม่ดีนะความเพียรเนี่ยการทําจริงแ น, แน่แนจริงยิ่งมากยิ่งดีแต่ว่าถ้าเบอกว่าเราทําไม่สมดุลไม่สมดุลนะคือมีความอยากล้าหน้าไปนะมันอยากมากเกินการทําความเพียรมันอยากมากกว่าที่เราจะทําได้ถ้ามันอยากมากแสดงว่า ตรงนี้แหะคือศัพท์ที่เขาเรียกว่าปราโรคความเพียรจัดเกินไปนะพอจัดแล้วแสดงว่าอยากเกินนะอยากมากซึ่งเราทําอย่างนั้นไม่ถูกความเพียรมีมากดีความเพียรนะ ย, ยิ่งมียิ่งดีความเพียรยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งดีการทําจริงแน่แน่จริงมีต้องถูกต้องต้องมีนะไม่มีไม่ได้ยิ่งมีมากยิ่งดีแต่ความอยากอย่าให้มีแสดงว่าถ้าเรามีความอยากเกิดขึ้นแสดงว่าทําไม่สมดุลนะมันตึงเกินไปมันอยากนําหน้าไป พออยากล้ำหน้าไปมันก็เศร้าหมองนะับเป็นไปจิตก็เลยเป็นความฟุง้งซ่านแต่มีความเศร้าหมองในชนิดที่ว่าเป็นความฟุง้งซ่านในทางตรงข้ามก็เหมือนกันแต่ความเพียรเนี่ยน้อยเนี่ยไม่ดีแน่อนอนต้องรนะวังทำจริงแน่วแน่จริงไม่มีมีน้อยหรือนวะ่า ท, ทําหยาะเหยาะแย่แย่ทำชนิดที่แบบรูปรูปคลำคๆทําพอแบบแตะแตะเป็นไปทําชนิดที่ว่าไม่จริงไม่จังนะมันก็ไม่ได้ผลอะไรนะมันก็ทําแล้วก็ท้อแท้ท้อถอย ทำทำหยุดหยุดเนี่ยไม่ได้ผลนิดนหน่อยหน่อยก็เลิกนี่ยแล้วก็มาพูดอย่างงั้นอย่างนี้ว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้ผลอันนี้ก็เรียกว่าเริ่มทําให้พระบุตรเจ้าเป็นผู้ที่ลําบากด้วยเหตุแห่งตรรมละมันก็จะเป็นไปเพื่อความเกียดกรานเนีย่ยย่อยอนเนี่ยทำไม่ดีทําไม่ถูกทําไม่ได้ละแต่เพราะนั้นความเพียร น, น้อยอันนี้ชัดเจนนะว่าอากุศลธรรมอย่างอื่นมันก็จะเข้าครอบงําเหนือเยอะแยะไปหมดอาจจะเป็นการพูดไม่ดีคิดไม่ดีนี่ก็ไปอีกเรื่องหนึ่งด้วย สิ่งที่ควรจะต้องเป็นทํำยังไงนั่นคือความเพียรต้องพอดีนํามากพอดีนะครับเจ้าใช้คํานี้ในการทําจริงแน่วแนวจริงต้องมากมากชนิดที่ไม่ให้ตัณหามันเกินถ้าตัณหาเกินแสดงว่าเพียรมากเกินไปะทําไม่สมดุลและถ้าเราจะไม่เพียรเราจะไม่ทําจริงแน่วแน่จริงมันก็ไม่ได้ผลมันก็จะไม่เกิดปรากฏเหมือนยาเนี่ยตัวฝั่งยาที่เราใช้ตัวตัวไปเนี่ยนะ แต่ถ้าใช้ปริมาณที่น้อยเกินไปแล้นมันก็ไม่ได้ผลถ้าใช้มากเกินไปมันกลับกลายเป็นพิษด้วยซ้าการออกกําลังกายก็เหมือนกันแต่ถ้าคนไม่ออกกําลังกายเลยมันก็อ้วนมันก็สุขภาพไม่แข็งแรงคนที่ออกกําลังกายมากเกินไปแล้วก็มีอันตรายจากการบาดเจ็บได้ระบบหัวใจอาจจะเป็นอันตรายได้ก็ต้องทําพอประมาณต้อทําบอประมาณเท่าไหรถึงพอดีที่ว่าพอดีนี้คืออะไรพอดีแต่ในที่นี้พระบรุทรเจ้าใจก็ว่า นะ อ, อินซีในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Faculty Faculty ก็ <soit S 1> คือหมายถึงอินรีย์อินรีย์มีอยู่2อย่างแสองอย่างนี้หมาเข้ามาตาหูจมูกลิ้นกายใจอันี่ก็เป็นอินทรีย์แบบหนึ่งในที่นี้เ ร, เรากำลังพูดถึงอินทรีย์แบบที่2ก็เรียกว่าเป็นอินรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิ ป, ปัญญาอินทรีย์5อย่างนี้ต้องให้มีความสมดุลถ้าสมดุลกั น, ก, นกับการทําจริงแน่วแน่จริงตัณหาจะไม่เกิดแไปอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟัง การทำจริงแน่แน่จริงยิ่งมากยิ่งดีแต่ยิ่งมากยิ่งดีมากนี้ก็ต้องสมดุลกับอินทรีย์ของเราด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่สมดุลมันจะกลายเป็นความอยากลำหน้า <c oughs> ความอยากมีแล้วมันไม่ดีความอยากมีแล้วจิตใจะเราจะเศร้าหมอง <c oughs> ความอยากมีแล้วมันจะทำให้แปรรูปออกมากลายเป็นความฟุ้งซ่านได้ <c oughs> เราจึงต้องทําให้สมดุลการทาจริงแน่แน่จริงต้องสมดุลกับเรื่องของอินรีย์ทั้งอา <c oughs> การที่จะปรับอินทรีย์ให้มีความเสมอๆกัน น, นี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในความเพียรเราจะปรับคู่กับอะไรดังตาความเข้าใจตรง น, น, นี้การทำจริงแน่วแน่จริงมันก็ต้องมีมาคู่กับเรื่องของศรัทธาแต่คนที่มีศรัทธาทั้งหังคือความมั่นใจความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้กูมีความมั่นใจตรงนี้แต่คนที่มีความมั่นใจตรงนี้แล้วเขาจะทำจริงแน่วแน่จริง เราคือเราจะเรียกคนที่ไม่ทําจริงไม่แน่แน่จริงว่ามีศรัทธาเนี่ยไม่ได้เลยแสดงว่าตรงนั้นไม่ใช่ศรัทธาตรงนั้นเป็นแค่ฟังข้อมูลเฉยเฉยแล้วก็ตริตรึกนึกตามไปโอเคเข้าใจแนะเข้าใจกับศรัทธาไม่เหมือนกันมั่นใจกับเข้าใจไม่เหมือนกันคุณเข้าใจแล้วแต่อาจจะไม่ทําถ้าไม่ทําตรงนั้นเขาไม่เรียกว่ามั่นใจเขาก็เรียกว่าเข้าใจเฉยเฉยอ๋อเข้าใจเข้าใจความทุกข์เป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่มานั่งสมาธิไม่รักษาศีลอันนี้ชื่อว่ายังไม่เข้าใจหรอกคือไม่ได้เข้าไปในใจ และเกิดเป็นความมั่นใจแ ต, แต่เข้าสมองเฉยๆเกิดเป็นข้อมูลเป็นความรู้เฉยๆแต่ยังไม่เป็นปัญญาในการที่จะมาทําจริงแนวแน่จรงิงอาจจะถ้าบูกว่าในกรณีของท่านพระโสนนี้มีความมั่นใจออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนละ่ะมาปฏิบัติในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงขนาดสละโพคาสับสละญาติต่างๆออกบวชละมีความมั่นใจละมาทําจรงิงทีนี้แตะทําจริงแน่แน่จริงแต่ๆๆเพื่อที่จะให้สติมันเกิดขึ้น นะตรงนี้ที่พระราชาบอกมาให้ทําความเปลี่ยนแต่พอเสมอเสมอกันนะให้เข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายที่ต้องมีธรรมชาติเสมอเสมอกันเนี่ยก็คือให้เรามีพลังภาษาอังกฤษเขาแปลคําว่าเปลี่ยนตรงนี้ว่าหมายถึง energy energy ก็คือพลังคือกําลังนั่นเองนะเราต้องมีพลังเราต้องมีกํำลังนะพลังกําลังนะมีมากดีแน่นอนมันไปได้แต่ถ้ามันไม่สมดุล น, นะไม่สมดุลแสดงว่า มันจะทําให้ตัณหามันงอกขึ้นมาสามัรุ่กับอะไรสมัรุ่กับศรัทธาหนึ่งอย่างนะสามัรุ่กับสติด้วยเนี่เพราะว่าถ้าสติไม่ได้มีการควบคุมให้ดีไอ้ความอยากมันก็เกิดขึ้นครอบงำหลาความอยากที่เกินมาตรงนี้แหละที่เรียกว่าเกินพอดีเนี่มันไม่พอดีกันมันไม่สมดุ่นกันพอ ม, มีความอยากครอบงำํำปุ๊บสติลืมหลงเนะมีความประมาทมันก็เลยกลายเป็นความฟุง้งซ่านออกมาแล้วความเพียรกําลังตรงนี้การทําจริงแน่ๆจริงตรงนี้ ก็ต้องให้มันสมดุลสมดุลกันพอพรนกันกับสมาธิด้วยเพราะว่าสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวตามฝังถ้าบอกว่าจิตไม่เป็นอารมณ์เดียวมันออกนอกกรอบของสมาธิไปเนี่ยไอ้ที่มันออกที่มันล้นไปมันเกินไปนั่นแหละคือความอยากแลมันจะกลายเป็นความอยากแลซึ่งจะแปลผันผกพันมาก็กลายเป็นความฟุ้งซ่านอย่างที่บอกว่าความเพียรที่ประรบจัดเกินไปถ้าพลังคือ energy เนี่ย aroused too forcefully คือหมายถึงว่าเร่งกันเกินไปนะเกินไปแล้วไอ้ส่วนที่เกินสมาธิส่วนที่เกินสติไปตัวนั้นเป็นความอยากแตนะ่ความอยากก็ทําให้เกิดความฟุ้งซ่าน ล, ล่ะในที่นี้ซึ่งในทางตรงกันข้ามก็ได้ผลที่เป็นลบเหมือนกันนะว่าถ้าเราไม่มีกําลังพอแตนะ่สติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีมีไม่พอกับการทําจริงแน่แน่จริงพลังตรงนี้ไม่พอนั่นคือพลังในการที่จะทรงคุณธรรมคือสติพลังในการที่จะทรงคุณธรรมคือสมาธิเนี่ย ไม่พอก็ทรงสติทรงสมาธิไม่ได้ในการที่เรทรงสติทรงสมาธิไม่ได้มันก็เลยเป็นผลออกมาในรูปของความเกลียดคร้านความง่วงซึมความท้อแท้ท้อถอยอันนี้เป็นไปได้แล้วถ้าบอกว่าพลังการทําจริงแน่วแน่จริงมันเกินกําลังของสติเกินกําลังของสมาธิเกินกําลังของศรัทธาตรงนั้นแสดงว่ามันเป็นความอยากแต่ที่เกิดมามันไม่ใช่ความเพียรละ่ะมันเป็นความอยากเพราะฉะนั้นจึงต้องปรับให้เสมอกันแต่สิ่งที่จะได้ผลตรงนี้ออกมา ก็คือเป็นปัญญา น, นี่นเองจะเห่นเดียว ก, กันกับกรณีที่ท่านพระโสนะได้นี่แหละเป็นปัญญาออกมาทําให้ท่านถึงความที่จะละวางอสวกิเลสปล่อยวางได้หมดจดได้แต่ตรงนี้เขาใช้คําว่าบรรลุถึงที่สุดเลยคือ consumation ถึงที่สุดในการปฏิบัติละไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้ในเรื่องราวของท่านพระโสนะท่านผู้ฟังคำพเจ้าก็ต้องการจะเน้นย้ําว่าการทําจริงแน่ๆจริงอันนี้ดีแน่นอนมียิ่งมากยิ่งดีแต่อย่าให้มากเกินกําลังคือสติ เกินกำลังคือสมาธิเกินกําลังคือศรัทธาเพราะว่าส่วนที่เกินไปนั้นไม่ใช่การทําจริงแน่แนจริงแต่มันมาในรูปแบบนั้นส่วนที่เกินไปนั้นคือความอยากเราต้องปาดความอยากออกแต่ให้มีการทําจริงแน่แน่จริงให้ถูกต้องเหมือนที่มันมาเนียนเนียนมันแฝงกันมานั่นในรูปแบบของอวิชชามันบางเอาไว้ทําให้บางทีเราไม่เห็นว่าไอ้ส่วนที่เกินมานั้นมันไม่ใช่การทําจริงแน่แน่จริงแต่เป็นกลายเป็นส่วนที่เป็นตัณหาเป็นความอยากซึ่งมาจากกุศลธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆปรับเอา แตความสมดุลเนี่ยก็ต้องอาศัยทักษะในการปรับในการทำซึ่งถ้าเราอาศัยทำฝึกอยู่เรื่อยๆอย่างกรณีของท่านพระโสนะเนี่ยทำตรงนั้นปรับตรงนี้ในการหลีกเล่นช่วยได้การที่เรารักษาศีลอย่างดีช่วยได้การที่เรามาไขขรวนทำฟังธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้แต่คนที่จะมีศรัทธาและทําให้เกิดการทําจริงแนว่วแ น, วแนว่จริงเนี่ยศรัทธาตัวนี้เกิดจากการที่เราฟังธรรมนั่นเองนั่นได้คบกับคนดีคบกับสัตว์บุรุษแล้ว แนี่มีการฟังทำได้ฟังทำแล้วจะมีความมั่นใจมีความลงใจมีความเชื่อใจในคําสอนนี้เชื่อใจแล้วมันก็ทําจริงแล้วทีนี้เนีได้ผลอย่างกรณีของท่านพระโสรนาได้ในทุกวันนี้ทาำม้ฟังการทําจริงแน่แน่จริงในเรื่องใดๆเรื่องหนึ่งจะเป็นการงานของเราการเรียนหนังสือหรือว่าทํากิจกรรมใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยพลังคือการทําจริงแน่แน่จริงตรงนี้มันใช้ได้กับทุกเรื่องแต่ใช้กเรื่องการเรียนใช้เรื่องการทํางานใช้เรื่องการปฏิบัติธรรมก็ได้ แต่มันใช้ได้กันหมดตรงนี้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆแต่ก็ส่งมาได้ที่ p i r e t a m a c o m แต่ยินดีรับฟังไปที่เว็บไซต์ puredhama.com สามารถที่จะส่งคำถามในที่หน้าเว็บไซต์ได้หรือว่าเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรแต่ส่งมาที่วัดป่าดอนไนโศกเลขที่1หมู่แปดตบลดอนไนโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีชริทาน